มีอะไรแปลกนักหรือสำหรับร่างเปลือยของมนุษย์เราถ้าเรามองให้ลึกลงไปถึงแก่นแท้ของความจริงแล้วผินเป่าลมออกจากปากคุณหญิงพูดเหมือนทฤษฎีของผู้อาบแดดไม่ใช่เหมือนหอกรู้ไว้เสียเลยก็ได้ว่าฉันเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของนิคมอาบแดดค่ายฟลอริดาน า, ดารูริสพาร์คในสหรัฐจอมทานสะดุ้งสุดตัวแล้วนั่งตัวแข็งทื่อเย็นเฉียบไปถึงไขสันหลัง มีเสียงหัวเราะเบาๆเหมือนจะขบขันในาการของเขาเสียงปลดเปลื้องเสื้อผ้าลงกองจากนั้นก็เป็นเสียงลงไปแช่อยู่ในท่านน้ําตกห่างจากทางด้านแผ่นหลังของเขาเพียงแค่เอื้อมกลับขึ้นไปนอนภาคเสียที่ปางโน่นเถิดไปทิ้งปืนสั้นไว้ให้ฉันตรงนั้นแหละอย่าให้ฉันเป็นต้นเหตุทารุณจิตใจอะไรคุณนักเลยพวกอาบแดดนี่เขาไม่แคร์ว่าใครจะเห็นร่างเปลือยของเขาใช่ไหมครับเขาพึพรรมพาออกมาด้วยเสียงกระซิบ ก็ได้รับคำตอบว่าใช่แต่ต้องหมายถึงสมาชิกอาบแดดด้วยกันเองไม่ใช่พร่ำเพื่อทั่วไปมันเป็นชมรมของการฝึกจิตขั้นสูงสุดเพื่อให้มนุษย์เรารู้จักการปรงทุกเพศและทุกวัยควรจะมีสักโอกาสหนึ่งที่สังคมร่วมกันได้โดยไม่มีสัญชาตญาณแห่งเพศเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือที่มาของนิคมอาบแดดที่คนส่วนมากยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์แท้จริงและพากันประนามอย่างอาวิชชา อะไรทำให้คุณหญิงสนใจจนถึงกับเข้าไปเป็นสมาชิกของพวกนั้นความอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองนะสี่ทำไมสิ่งที่ฉันบอกคุณนี่ทำให้คุณชอกทีเดียวหรือหัวใจเกือบหยุดเต้นทีเดียวแหละเห็นเป็นสิ่งชั่วร้ายเลวทรามกำมังหาไม่ได้แล้วยังไงคิดไปไม่ถึงล่าจะสะกุลสาวสวยแพทย์นักมนุษยวิทยา นักผจญภัยนักอาบแดดกับนายบ้องตันคนหนึ่งกลางป่าเปลี่ยวเสียงระพินพึมพำเหมือนกับลำพึงกับตนเองนั่งเอาคางวางไว้ในระหว่างซอกเข่าทั้งสองเมือมองดูสายน้ําใสที่ไหลซอหินอยู่ริกิกบ้องตันไม่กลัวกลัวจะไม่ใช่บ้องตันน่นสิมีเสียงย้อนมาเบาๆพร้อมกันเอื้องพึ่งเปียกน้ําช่อหนึ่งก็ปลิวมากระทบก้านคอด้านหลังของเขา แลพินเก็บขึ้นมาแกว่งเบาๆในมือจากนั้นก็เป็นความสงบเงียบของดงไพรรอบด้านคู่ใหญ่ต่อมาเขาก็ร้องเตือนหล่อนเบาๆให้ขึ้นแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบหรือการเคลื่อนไหวในทานน้ำเบื้องหลังอย่างใดเลยทั้งสิ้นจึงหันกลับมาโดยเร็วแล้วงงงานไปชั่วขณะในจ้างสาวสวยของเขาอันตรธานไปเสียแล้วพร้อมกับกองเสื้อผ้าพรานใหญ่กลาดสายตารวดเร็วไปรอบด้าน ครั้นแล้วก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆมาจากเบื้องหลังหันขวับไปจึงพบเจ้าของเสียงยืนยิ้มอยู่ข้างโขดหินใหญ่เสื้อผ้าชุดเดิมเปียกชื้นไปด้วยน้ําจากตัวในอ้อมแขนหอบเต็มไปด้วยช่อกล้วยไม้ป่าร่อนรวดเร็วเวหลือเกินอาบน้ําเสร็จและวกอ้อมกลับมาปรากฏตัวทางด้านหลังเขาอย่างเบากลิบโดยไม่รู้ตัวเลยโล่งอกไปทีนึกว่าเสือข้ามไปเสียแล้วตรงกันข้าม คิดว่าถ้าเสือมันคาบึ้นไปเสียได้คุณควรจะร้องอกยิ่งกว่านี้แล้วหล่อนก็ออกเดินกลับขึ้นมายังบริเวณปางพักของพวกตัดไม้ที่นั่งพักขู่หากันเมื่อครู่นี้แต่แล้วก็ชะงักกึกโลงอย่างกระทันหันที่ซุ้มไม้ปากทางและพินเล่งฝีเท้ามาทันพอดีอาการหยุดอย่างปัจจุบันทันด่วนของหล่อนทําให้เขาเดินมาประทะเบื้องหลังเพราะไม่ทันรู้ตัวเก้งสามตัวเดินย่องก้มๆเงยๆ เ, เก็บดอกมาฆ่าโมงที่หล่นหยุดกาดเกลื่อน โคนต้นกินใกล้ๆกับบริเวณปางพักของพวกตัดไม้มันคงจะออกมาจากดงขณะที่ดาลินและระพินลงไปอย่างชะงอนน้ำตกพานใหญ่ตาเป็นประกายล้งแขนหญิงสาวให้ไปอยู่ข้างหลังเขาแล้วค่อยๆง้างนกปืนแก๊ปที่ติดมืออยู่ขึ้นยกขึ้นประทับเปล่งไปยังตัวใหญ่ที่สุดหนึ่งในจำนวนสามตัวนั้นดาลินตบหลังเขาไว้เบาๆเป็นเชิงห้ามแต่ระพินกระซิบบอกมาโดยไม่ยอมลดปืน อาหารจําเป็นที่สุดสําหรับเราในยามนี้ครับแล้วเขาก็เหนี่ยวไก่เสียงปืนแก๊ประเบิดบิ่มในลักษณะคล้ายๆเสียงปืนลูกซองควันตรลบมัวไปหมดพอควันจางสิ่งที่เห็นก็คือเก่งเคาะร้ายตัวนั้นหงายท้องดิ้นพลาดทุรนทุรายอยู่กับพื้นพรานใหญ่หันมายิงฟันยิ้มกับดารินผมนึกว่าคุณหญิงจะวิ่งไปตั้งหลาหาต้นไม้หลบอย่างที่บอกเสียอีกเป็นอันว่าปืนกระบอกนี้ใช้การได้แน่นอนครับ ยิงแล้วลํากล้องไม่ระเบิดหรือกระสุนวิ่งถอยหลังซ้ําอย่างฉมังดีไม่หยอกหล่อนยิ้มดิ้นดิ้นยักไหล่ไม่ตอบว่าอะไรทั้งสองเดินตรงไปยังซ่าของแก้งที่ถูกยิงล้มโดยเร็วแต่แล้วก่อนที่จะถึงนั่นเองต่างก็หยุดชะงักกึกลงกับที่อีกครั้งหนึ่งเสียงปืนนัดหนึ่งระเบิดกึกกล้องสถานป่ากังวานแววมาแต่ไกายโดยยังไม่สามารถจับทิศทางได้ถนัดว่ามันดังมาจากด้านใด ทั้งสองมองดูตากันหมดความสนใจกับเก้งตัวนั้นในทันทีเอ๊ะ e, ถ้าหูฉันฟังไม่ผิดรู้สึกว่าเป็นเสียงไรเฟิล น, นะดาดินร้องอย่างตื่นเต้นเร็วปือจับแขนเขาไว้บีบแน่นโดยไม่รู้สึกตัวและพินเม้มปากขามวดคิ้วโสดสัมผัสของหม่อมราชวงหญิงคนสวยไม่ผิดไปแน่นอนเพราะเขาเองก็ตระหนักได้ดีว่ามันคือเสียงไรเฟิลขนาดใหญ่ไม่ใช่ปืนแก๊ปหรือปืนลูกซอง สงสัยว่าจะเป็นพวกเราเสียแล้วลรืครับเขาพูดอย่างยินดีหลีตามองออกไปยังขุนเขาและป่าใหญ่สลับซับซ้อนซึ่งสงสัยว่าจะเป็นที่มาของเสียงปืนแล้วหันมาทางในจ้างสาวขอลูกปืนสั้นจากคุณหญิงสักสามนัดสิครับยิงขึ้นฟ้าทอดระยะห่างกันสามนัดหล่อนเข้าใจได้ทันทีในการบอกของเขาดึงปืนสั้นออกจากซองชูขึ้นเหนือศีรษะแล้วเหนี่ยวกายปล่อยกระสุนออกไปโดยเว้นระยะห่างกันเล็กน้อย สามนัดและนั่นคือสัญญาณเรียกตามกติกาของนักเดินป่าเสียงจุดส5 7หเจดังแหลมกึกกล้องสะท้อนกงวานไปทั้งลูกเขาอึดใจเดียวก็มีเสียงไร่เฟือระเบิดต่อมาสามนัดเช่นกันกงวานเสียงของมันแววมาจากหลังเขาไกลลิฟหญิงสาวร้องลั่นออกมาด้วยความดีใจจนลืมตัวชายโยพวกเราแน่แล้ว ใบหน้าของหล่อนแดงกล่ำด้วยความตื่นเต้นปิติใจเหลือที่จะกล่าวพรานใหญ่ยิ้มเล็กน้อยเขาเองก็ตื่นเต้นยินดีไม่น้อยไปกว่าหลอนครับพวกเราแน่แต่จะเป็นใครเรายัางเดาไม่ถูกคุณชายคุณชายยันเกิดหรือแง่ทายอาจเป็นคนใดคนหนึ่งหรืออาจทั้งหมดคำพูดอย่างรอบคอประมัดวังของเขาทาให้หญิงสาวชะงักงันไปอีกครั้งแววปิติจางลงเล็กน้อยกระสับกระส่าย จริงสินะเราไม่มีทางจะทายได้ถูกเลยว่าเจ้าของเสียงปืนที่ตอบเรามาเป็นพวกเราคนใดกันแน่ฉันร้อนใจเหลือเกินเสียงปืนที่ตอบเราดังมาจากหลังเขาไม่ใช่หรือครับห่างสักเท่าไรคำนวณถูกไหมไม่น้อยกว่าสามกิโลเมตรครับแต่ไม่เกินกว่าห้าถ้าเขามุ่งมาตามทิศทางเสียงปืนของเราได้ถูกต้องก็คงจะได้พบกันภายในสองชั่วโมงนี้แหละ เราจะเอาอยัางไงกันดีดาลินพูดโดยเร็วกัดริมฝีปากขันไปรอบๆเดินสวนเข้าไปหาเขาหรือว่าจะรออยู่ที่นี่ผมคิดว่าวิธีที่แน่นอนที่สุดก็คือรออยู่ที่นี่ครับก่อไฟขึ้นสุมควันให้เป็นที่สังเกตของเขาพอเห็นควันไฟเขาจะจับทิศทางได้ถูกเองถ้าเดินสวนอาจคาดกันได้ว่าแล้วผานใหญ่ก็จัดการก่อไฟขึ้นโดยเร็วเป็นกองใหญ่ตัดกิ่งไม้สดสุมเข้าไปเพื่อให้เกิดควัน ดาลินกุลีกุจอเขาช่วยเขายัางว่องไวแล้วพนมมือขึ้นพึนพมพำออกมาดังๆเจ้าประคุลเจ้าป่าเจ้าเขาถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงขอพวกเราอีกสี่คนที่พลาดพลากไปจงมาพบกันโดยพร้อมหน้าอย่าให้มีใครขาดหายไปเลยสักคนเดียวกลับไปถึงแคมป์ใหญ่เมื่อไหร่จะขอแก้บนด้วยสกอตทั้งขวดระพินกัดลิมฝีปากกลั้นหัวเราะจนหน้าแดง ที่เห็นในแพทย์นักวิทยาศาสตร์สาวผู้ไม่เคยเชื่อสิ่งใดมาก่อนนอกจากสูตรของเคมีลงทุนพนมมือขึ้นบนบานสารกล่าวถ้างั้นก็เห็นจะมีหวังแน่ครับเจ้าป่าเจ้าเขาแถบนี้ทรงโปรดเล่าฝรั่งเสียด้วยหล่อนหันขวักไปทางขาวแล้วยิ้มกระดากระดาถามเบาๆว่าคุณรู้ได้ยังไงท่านเคยมาเข้าฝันบอผมอยู่บ่อยๆเจ้าป่าโปรดสกอ็อตวิสกี้ ส่วนเจ้าเขานั้นคอบรันดีถ้ายิ่งได้เคอร์เวอรเยยิ่งรีบรับบนทันทีดารินโอทุระออกมาไม่ได้สีหน้าชื่นขึ้นสุดกายลงนั่งกอดเขาริมกองไฟที่กำลังส่งควันขโมงร่อยเป็นก้อนขึ้นเบื้องสูงในระหว่างที่ผ่านใหญ่สุมกิ่งและใบไม้สดทับลงไปเป็นภูเขาเรากาอย่าพูดเล่นนะ้าฉันทุรนทุรายใจอย่างไรบอกไม่ถูกทีแรกก็ดีใจไม่รู้ว่าเป็นพวกเราแน่ แต่พอมันนึกขึ้นได้อย่างที่คุณว่าจะเป็นพวกเราคนใดยังไม่รู้ชัดก็กลับยิ่งทําให้กลุ่มอาจเป็นแค่งแง่ทรายหรือเกิดคนใดคนหนึ่งก็ได้และพอมาพบเราแล้วก็ยังมีภาระหนักกังวลที่จะต้องตามพี่ใหญ่กับชัยยันอีกซึ่งมันไม่ทําให้สบายใจไปได้ผมบอกคุณหญิงแล้วว่าจะยังไรเสียวันนี้เราจะต้องได้ข่าวพวกเราแน่แน่จากนิมิต ด, ดีที่เจ้าป่ามาสําแดงกายให้คุณหญิงเห็นเมื่อคืนและอยากจะเชื่อด้วยซ้ําว่า คงไม่ใช่เพียงแค่คนใดคนหนึ่งในจำนวนสี่ของพวกเราเท่านั้นที่ยิงปืนตอบเรามาเมื่อครู่นี้สังหารว่าจะเป็นทั้งคณะนั่นแหละคุณหญิงบนไว้เมื่อกี้นี้ถูกต้องแล้วครับผมเองก็นึกภาวนาบนบานอย่างคุณหญิงเหมือนกันเพียงแต่ของผมเป็นเหล้าโรงยี่สิบแกรีเท่านั้นเพราะผมไม่มีเหล้าฝรั่งจะบนอย่างคุณหญิงว่าแล้วเขาก็หัวเราะนี่เราจะต้องยิงปืนบอกตาแหน่งเขารู้อีกไหม หล่อนถามอย่างกระสับกระส่ายร้อนใจอยู่เช่นเดิมไม่จำเป็นหรอกครับนอกจากเขาจะยิงถามมาจึงค่อยตอบผมคิดว่าเขาคงจะสังเกตเห็นควันไฟได้ในมิชานี้ครั้งแรกที่สุดผมคิดว่าเสียงปืนที่ผมยิงแก้งเมื่อตกี้นี้จะต้องดังแว่วไปถึงเขาและเขาคงสงสัยจึงทดลองยิงตอบมานัดหนึ่งเชิงอย่างถามพอเราส่งสัญญาณแน่ชัดไปสามนัดเขาก็ตอบมาสามนัดเป็นความหมายว่ารู้กันแล้วว่า จะเป็นใครไปไม่ได้เป็นอันขาดนอกจากพวกเราที่หลงพัดกันไปขณะนี้เขาคงจะบ่ายหน้าตามเสียงปืนมาแล้วถ้าเป็นพี่ใหญ่หรือชัยยันคนใดคนหนึ่งอาจตามเสียงปืนไม่ถูกก็ได้ดาลินพูดอ่อยๆอย่างกังวลและพินยิ้มโครงศีรษะช้าๆปลอบใจมาว่าไม่ต้องวิตกหรอกครับในข้อนั้นควันไฟที่เราก่อขึ้นนี่จะเป็นเครื่องหมายให้ตามได้ดีกว่าเสียงปืนซียอีก และถ้าหากเขายังไม่แน่ใจเขาอาจยิงถามมาอีกอย่างไรก็ตามภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ถ้าอะไระไรยังเงียบอยู่เราจะเป็นฝ่ายออกตามเองลงอยู่กันในระยะได้ยินเสียงปืนแบบนี้ก็สบายแล้วครับไม่พลาดแน่พร้อมกับพูดพรานใหญ่แยกกองไฟออกกองหนึ่งเป็นไฟหุงหาจัดการตั้งข้าวแล้วลากเก่งตัวนั้นมาถรกหนังชำละอย่างว่องไวดาลินกระพริบตามองอย่างสงสัยถามว่า นั่นคุณยังมีเกจจิตเกจใจจะหุงข้าวกินอีกหรือทั้งทั้งที่เรากินกันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองก็เห็นอีกฝ่ายหนึ่งเงยหน้าขึ้นยิ้มและตอเบเรียบๆว่าเราสองคนอิ่มและสบายแล้วครับแต่พวกของเราคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดที่ทกําลังจะบ่ายหน้าตรงมาที่นี่จะต้องเหน็ดเหนื่อยหิวโซมาทีเดียวเขาจะพบเปล่าและอาหารรอคอยพร้อมอยู่แล้วดาดินเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้จ้องดูเขาด้วยความพิศวง์ชายผู้นี้ เป็นหลักประกันอบอุ่นปลอดภัยสำหรับทุกคนได้อย่างจริงแท้แน่นอนภายในอาณาจักรพงไพรคุณรอบคออดีหรือเกินฉันลืมเสียอย่างสนิทหล่อนพึมพำแล้วก็ตรงเข้ามาช่วยเขาจัดการย่างเนื้อทั้งสองคุยกันเบาๆถึงพักพวกที่กำลังจะบ่ายหน้าเข้ามาโดยยังไม่สามารถคเนได้ถูกว่าเป็นใครกันแน่ต่างย้อนละลึกไปถึงเหตุการณ์ในขณะที่น้าป่าซัดกระนำอย่างจู่โจมเข้ามาในคืนนั้น จนเป็นผลให้ต้องกระจัดกระจายพัดพร่ากันไปคนละทิศทางเล่ากับถูกบรรดาด้วยอำนาจอาถรรพ์กันแกลง้งจนขาวเละดหล่อนต่างฟื้นขึ้นพบตนเองรอดชีวิตอยู่ห่างจากสถานที่เกิดเหตุถึงไม่น้อยกว่า30กิโลเมตรในลักษณะปลอดภัยได้รา่ากับปาริหารโดยแทบจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวอยู่เลยแล้วพักพวกอีกสี่คนนั้นเล่าจะตกอยู่ในสภาพใดบ้างแต่อย่างน้อยที่สุด ในขณะนี้เท่าที่สามารถจะรู้ได้ชัดก็คือหนึ่งในจำนวนสี่ที่พลาดพลาดไปก็ยังมีไรเฟิลติดมืออยู่ด้วยจากเสียงที่ยิงตอบมาผมว่าดีไม่ดีอาจมีเราเพียงสองคนเท่านั้นที่ถูกกระแสน้ำพัดมาไกลที่สุดส่วนพวกเราอีกสี่คนคงจะรวมกลุ่มกันอยู่ใกล้ๆบริเวณที่เดิมนั่นเองและขณะนี้กลับเป็นฝ่ายออกติดตามหาเราถ้าเป็นอย่างที่คุณว่านี่ก็นับว่าพวกเราทั้งหมดโชคดีที่สุด ฉันกลัวว่าอีกสี่คนพวกเราจะต่างคนต่างพลัดกันไปคนละทิะทางมีหวังต้องตามกันค้นหากันทีละคนละคนโดยยังทายอะไรไม่ถูกซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็แย่ทีเดียวถึงอย่างไรเราก็พบความหวังไปในทางที่ดีแล้วครับรอให้เขามาถึงที่นี่เสียก่อนเถิดแล้วเราจะรู้ว่ามีใครอีกบ้างที่ต้องติดตามครึ่งชั่วโมงต่อมาระหว่างที่ราปนกาลังลินน้าข้าวเทใส่กระบอกไม่ไผ่อยู่ก็มีเสียงปืนดังก้องขึ้นอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้มันดังอยู่บนรูปเขาใกล้ๆนี่เองดารินลุกพรวดขึ้นยืนร้องออกมาเขาตามเข้ามาถูกทางแล้วเสียงปืนดังอยู่ใกล้ๆนี่เองถ้าไม่ใช่คุณชายก็คุณชายยันหรือไม่ก็ทั้งสองคนเลยผมกล้าท้าพนันพรานใหญ่บอกโดยเรวตาเป็นประกายดารินหันขวับมาอะไรทําให้คุณแน่ใจอย่างนั้นคุณหญิงไม่สังเกตเสียงปืนหรือครับคราวนี้มันไม่ใช่ไรเฟิลแล้ว แต่มันเป็นปืนสั้นและคงจะเป็นจุด44แม็กนัมที่ติดอยู่ข้างเอลตลอดเวลาของคนทั้งสองนั่นเกิดกับแง่ทรายไม่มีปืนสั้นคงจะเห็นว่าใกล้เข้ามาแล้วเป็นระยะที่เสียงปืนสั้นก็ได้ยินถนัดจึงใช้ปืนสั้นยิงเรียกแทนที่จะใช้ไรเฟิลเพราะต้องการประหยัดกระสุนไรเฟิลไว้ดารินขมูดคิ้วหล่อนไม่ทันจะสังเกตเสียงปืนเมื่อสักครู่นี้ว่ามันเป็นชนิดใดเพราะอารามดีใจจึงยิงขึ้นฟ้าเป็นการตอบไปอีกหนึ่งนัด ไม่ถึงอึดใจก็มีเสียงปืนระเบิดกล้องตอบย้อนมาจริงของระพินมันเป็นเสียงปืนสั้นนั่นเองหญิงสาวใบหน้าแดงระเรื่อยิ้มออกมาทั้งน้ำตาที่คลอบเบ้าเสียงสั่นเครือใช่แล้วถ้าไม่ใช่พี่ใหญ่ก็ชายยันเพียงขอให้เป็นทั้งสองคนนั้นพร้อมเลยสวรรค์ทรงโปรดแท้ๆไม่ใช่สวรรค์แต่เจ้าป่าผู้อยากจะเสวยสกอตวิสกี้ของคุณหญิงตหากเขาค้านมาอย่างหน้าตาย เพียงสิบนาทีหลังจากนั้นก็มีเสียงกูโวกเวกแววเข้ามาเอ็ดอึงไปหมดประสานกันหลายเสียงพรานใหญ่กับหญิงสาวหันมามองตากันอย่างตื่นงงเอมากันเยอะทีเดียวครับไม่ใช่เพียงสี่คนของพวกเราเท่านั้นอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าสิบขึ้นไปนั่นสิประแหกจังเสียงหลายคนหรือเกินนี่หล่อนกระพริบตาทีๆประหลาดใจไปหมดเสียงกูดังใกล้เข้ามาเป็นลาดับ ในที่สุดก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหลายคู่บุกป่าสวบสาบอย่างหนักท่ามกลางความงุนงงถ่ายเหตุการณ์ไม่ถูกของทั้งสองผู้เฝ้ารอคอยอยู่ด้วยความกระสับกระส่ายครั้นแล้วอึดใจนั่นเองเงาของคนกลุ่มใหญ่ก็โผล่รับสันเนินลงมาเป็นขบวนพอเหลือเ็นในกิปตาแรกดาลินก็อุทานลั่นออกมาด้วยความดีใจจนบอกไม่ถูกนำหน้าของขบวนอันมีอยู่ไม่น้อยกว่า20คนกลุ่มนั้นคือแช่ฐาและชัยยัน ต่อมาก็คือแง่ทรายและเกิดซึ่งเดินแถวเลียงสา ม, มากับกระเลียงสูงอายุคนหนึ่งเบื้องหลังที่ตามมาเป็นพรวนเป็นชายช ก, กันชาวเขามีปืนผาหน้าไม้อาวุธครบมือสิ่งที่เห็นชัดก็คือเชษฐาชัยยันเกิดและแง่ทรา ย, ายมีไรเฟิลอยู่ครบมือพร้อมสัมภระเครื่องหลังโดยเฉพาะเกิดกับแง่ทรา ย, ายนอกจากจะถือไรเฟิลประจํามือของตนมาแล้วที่ไหล ย, ยังสะพายกันไว้คนล้วก็บอก ซึ่งไม่มีปัญหากระบอกหนึ่งจะต้องเป็นปืนของดารินและอี ก, กระบอกหนึ่งคือปืนของระพินยอย่างแน่นอนระหว่างที่ดารินวิ่งถลาป่าดออกไปเชษฐากับชายยันก็วิ่งสวนลงมาทั้งสามพบกันแล้วกอดกันแน่นด้วยคำพูดทักทายที่ต่างฝ่ายต่างฟังไม่ได้สับท่ามกลางวงรอมของพวกกะเรียงทั้งหลายที่ตามมาด้วยอึดใจต่อมาหม่อมและชวงเชษฐาวราฤทธ คลายมือออกจากการอบกอดน้องสาวหันมาทางพรานใหญ่ความตื้นตันในขณะนั้นทําให้ต่างฝ่ายต่างยังพูดอะไรออกมาไม่ได้ราชสกุลหนุ่มหัวหน้าคณะเดินทางจักมือเขาบีบกระชับไว้แน่นในขณะที่ชายยันก็ตรงเข้าโอบไหลขอบคุณสวรรค์ที่ทั้งคุณและน้อยปลอดภัยเรียบร้อยดีผมกับชายยันวิตกเป็นทุกข์เสียแทบแย่เชื่อถากล่าวขึ้นเป็นประโยคแรก ผมกับคุณหญิงก็เช่นเดียวกันครับเป็นห่วงคุณชายกับชายยันจนบอกไม่ถูกโชคดีเหลือเกินที่พวกเราไม่มีใครได้รับอันตรายมากนักและตามพบกันในระยะเวลาอันรวดเร็วพร้อมหน้าอีกครั้งแล้ผินพูดปนหัวเราะแล้วหันไปตอบคำถามชายยันตลอดจนสำรวจดูเกิดและแง่ท า, ายซึ่งยืนยิ้มอยู่ข้างๆคาถามของแต่และฝ่ายรอประดังอยู่ครับข้า ง, างอันต้องการคาอธิบายซึ่งกันและการอย่างมากมาย แต่ยังไม่อาจจะ ก, กระทำได้ในเวลาแห่งความตื่นเต้นเย็นดีเช่นนี้ทันใดนั้นกะเลียงเท่าลักษณะเป็นหัวหน้าคณะของชายชะกันชาวกะเลียงทั้งหมดที่ติดตามมากับคณะของเชิฐาด้วยก็ก้าวเข้ามายกมือไหว้พรานใหญ่พร้อมกับทักทายและพินก็จําได้ในทันทีนั่นเองว่าแกคือพ่อเท่าโตทะหัวหน้ากะเลียงผาเยิงที่คุ้นหน้ากันดีและเคยรักใคร่นับถือเขามาก่อนอ้าวโตทะ มายังไงมายังไงกันนี่เขาหันไปถามเร็วปลือเป็นภาษากะเรียงโต้ถะถายิ้มเห็นเหงือกสีดำคร้ําแต่สีหน้าดูจะมีความทุกข์กังวลอยู่ลึกซึ้งภายใต้พื้นหน้ายินดีที่ได้พบเขาชี้มือไปที่เกิดกับแงซายตอบในภาษาเดิมของแกไอสองคนนี่พาเจ้านายสองคนมาพบกับผมที่ห้วยแม่เลงบอกว่าพลาดการกับนายเพราะถูกน้าป่าซัดมีนายผู้หญิงหลงหายไปด้วยคนหนึ่ง มาถามข่าวจากผมผมก็ไม่เห็นนายเลยเจ้านายสองคนนี้ก็เลยชวนผมให้ช่วยออกหาพวกผมเองก็กำลังเดือดร้อนคนในหมู่บ้านมาตัดไม้กันอยู่ที่นี่ถูกเสือลากไปสามคนในเวลาเดียวกันไอ้พวกที่รอดตายเล่นกับไปบอกข่าวแต่เมื่อคืนกำลังจะออกตามอยู่พอดีเลยพากันมาด้วยกันเจ้านายรับปากว่าจะฆ่าเสือให้ผมก็รับว่าจะเกณฑ์คนออกช่วยตามค้นหานายระผินไพรวัน สามารถลำดับเหตุการณ์ได้ในทันทีนั้นจากคำบอกเล่าของท่าวโตถะพอดีกับที่ชายันก็บอกมาอีกคนหนึ่งเพราะไม่รู้เรื่องว่าโตถะพูดกับเขาว่าอย่างไรพวกเราไปสืบข่าวคุณกับน้อยที่หมู่บ้านของแกแล้วขอร้องให้แกช่วยเกณฑ์นคนออกตามหาด้วยก็พอดีแกบอกว่าลูกบ้านแกมาตัดไม้ถูกเสือฆ่าไปเสียสามคนเมื่อเย็นวานเราก็เลยรับอาสาที่จะตามเสือให้ ในขณะเดียวกันก็ขอแรงให้แกช่วยติดตามคุณกับน้อยด้วยถึงได้มาด้วยกันเอ๊ะ e, โต้ถาแกเคยอยู่ที่ผาเยิงนี่นะทำไมพวกเราถึงไปพบที่ห้วยแม่เริงพ่านใหญ่ถามยางงงังงงๆเกิดทำหน้าที่ตอบหมายแทนว่าโต้ถาบอกผมว่าแกอพยพลูกบ้านของแกหนีมาจากผาเยิงตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับนายเพราะไอ้แหวงพาโขงเขารบกวนไม่หยุดหย่อนพวกแกถูกฆ่าตายไปมาก บ้านช่องไรนาถูกพวกมันทำลายล้างป่นปี้พวกแกไม่มีกำลังที่จะสกัดกั้นปราบมันได้อยู่มือก็เลยต้องตั้งทิ้งถิ่นเดิมผมก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันไปพบหมู่บ้านใหม่ของโต๊ะถากเข้าโดยบังเอิญแท้ๆเรพินพยักหน้าอย่างเพิ่งเข้าใจก่อนที่เขาจะเอ่ยปากเช่นไรเชษฐาก็บอกมาอีกคนหนึ่งว่านี่เราออกเดินทางจะคุ้ยแม่เลิงมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วจะบ่ายหน้าไปยังปากพัง ่างพักของพวกที่ถูกเสือฆ่าไปนี่แหละเป็นแห่งแรกพอใกล้เข้ามาได้ยินเสียงปืนออกแปลกใจโต้าถายืนยันว่าไม่มีคนอยู่ในระแวกนี้เลยเพราะพวกของแกที่ตัดไม้ก็กลับไปที่หมู่บ้านหมดแล้วผมเลยให้แง่ทรายลองยิงตอบดูก็ได้ยินเสียงตอบรับเรามาอีกสามนัดพวกะเหรี่ยงที่มาด้วยนี่ยืนยันว่าเป็นเสียงปืนที่ดังมาจากทางด้านเดียวกับที่พวกเขามาตั้งปางตัดไม้อยู่ ก็เลยรีบตรงเข้ามานึกไม่ถึงเลยว่าจะพบคุณกับน้อยอยู่ที่ปางพักของพวกนี้แล้พินบอกให้ทุกคนหยุดพักกันที่ปางก่อนโต๊ะถาให้คนของแกนําเสบียงที่ติดตัวมาด้วยหุงหาเลี้ยงดูกันส่วนเชษฐาชายยันเกิดและแง่ทรา ย, ายตรงข้าวจัดการกับข้าวและเนื้อ ย, อย่างที่รพินเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วโดยเฉพาะชัยยันคว้าน้ําข้าวในกระบอกขึ้นดื่มอย่างกระหายเป็นอันดับแรกดาดินบอกให้พี่ชายทราบว่า เสียงปืนที่ได้ยินเป็นครั้งแรกนั้นเป็นเสียงปืนที่ระพินยิงแก้งตัวนั้นนั่นเองถึงแม้จะไม่ได้ยินเสียงปืนก็คงพบกันอยู่ดีเพราะพวกเรากำลังบ่ายหน้ามาที่นี่อยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าเธอกับระพินจะออกเดินทางแยกไปเสียก่อนชัยยันว่าถ้างั้นผานใหญ่ก็ทายถูกแล้วหญิงสาวพูดหันไปมองทางละพินเขาบอกว่าจะยังไรเสียพวกตัดไม้จะต้องย้อนมาที่นี่อีกครั้ง ให้ดักคอยพบอยู่ที่นี่เพียงแต่นึกไม่ถึงว่าเธอพี่ใหญ่เกิดและแง่า ย, ายจะมาพร้อมกับพวกนั้นเท่านั้นทีแรกก็สงสัยอยู่เหมือนกันเชษฐากล่าวเสริมขึ้นโดยเร็วมองหน้าน้องสาวกับพรานใหญ่สลับกันอยู่เช่นนั้นจุดหมายในการเดินทางของเราคือตรงมาที่นี่ก่อนเพื่อจัดการกับเสือที่ล่าออกับพวกของเขาไปโดยจะเริ่มต้นแกะรอยกันที่นี่เพราะมันเป็นจุดเกิดเหตุ พวกที่เห็นเหตุการณ์และหนีกลับไปที่หมู่บ้านเป็นคนนําทางมาพอได้ยินเสียงปืนสัญญาณสามนัดพี่ก็รู้ในทันทีว่าจะต้องเป็นน้อยแต่ประหลาดใจที่กะเหลียงนําทางยืนยันว่าเป็นเสียงปืนที่ดังมาจากบริเวณตั้งปางพักของเขาซึ่งเสือลากกับพวกเขาไปไม่เย็นวานยิ่งเห็นควันไฟก็ยิ่งแปลกใจมากขึ้นในข้อที่ว่าไปยังไงมายังไงน้อยถึงมาอยู่ตรงบริเวณปางพักที่พวกเรากําลังจะบ่ายหน้าเข้ามา เรื่องมันเกี่ยวพันกันค่ะพี่ใหญ่เสือที่ข้ามออากระเลียงตัดไม้สามคนไปเมื่อค่ำวานนี่แหละเป็นต้นเหตุให้น้อยกับพรานใหญ่มาดักรออยู่ที่นี่และที่ดักรอก็คาดว่าจะได้พบกับพรรคพวกของคนข้อร้ายที่ถูกเสือลากไปเพื่อจะสืบหาพวกเรานั่นเองเอ๊ะนี่น้อยกับรพินรู้เรื่องเสือลากกับพวกนั้นไปด้วยเลยเชื่อาร้องออกมาอย่างงงๆไม่สามารถจะเดาเหตุการณ์อย่างใดไ ด, ได้ก่อนที่รพินจะเอ่ยเช่นไร น้องสาวคนสวยของหัวหน้าคณะเดินทางก็ทำหน้าที่อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกที่มาใหม่ทราบโดยตลอดเชษฐาและชายยันจึงเพิ่งเข้าใจและลำดับเหตุการณ์ประสานสัมพันธ์กันได้อย่างปร่งโปรง่งหล่อนเล่าอย่างละเอียดนับตั้งแต่วินาทีแรกที่หล่อนได้รู้สึกตัวฟื้นขึ้นและเดินมาพบพระพินนอนสลบสลายอยู่จึงได้ปลุกขึ้นจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายก่อนที่คณะของเชษฐาและพวกกะเลียงโต๊ะะจะโผล่ออกมาให้เห็น สำหรับทางด้านของเชษฐาและชายยันนั้นภายหลังที่ได้ลำดับภาเพเหตุการณ์ของคืนที่เกิดวิบัติภายจับน้ำป่าก็สรุปออกมาได้ว่าแง่ทรายเป็นคนแรกที่ฟื้นคืนสติขึ้นมาในตอนเช้ามืดร่างของหนุ่มกะเลียงพเนจรถูกน้ำซัดไปติดอยู่กับพงเถาวันในป่าทร่มแห่งหนึ่งห่างจากบริเวณเกิดเหตุเพียงสมกิโลเมตรเขาเดินย้อนขึ้นไปยังที่พักแรมอันเป็นสถานที่ซึ่งทุกคนถูกน้าซัดปะทะ พบเชษฐาเป็นคนที่สองนอนสิ้นสติอยู่บนก่อรั่วภายหลังจากแก้ไขรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วทั้งสองก็ชวนกันออกเดินทางมุ่งหน้าแหล่งพักแรมที่เดิมชายันเป็นบุคคลที่สซึ่งเดินเปะปะกู่ตะโกนเรียกหาพักพวกอยู่ยังอีกฝากหนึ่งของลำธารพอรวมกันได้สามคนซักถามสอบความกันแล้วก็ไปถึงอย่างที่พักแรมที่นั่นพบไรเฟื่อและสัมภาระข้าวของแทบทุกชิ้น ตกกระจายเกลื่อนกาศอยู่ที่บริเวนหาดทรายภายใต้เชเวอว์กผาหินซึ่งเคยอาศัยใช้เป็นที่หลบนอนโดยสันนิษฐานว่าที่ปืนและข้าวของอันมีน้ำหนักส่วนมากเหล่านั้นไม่ถูกน้ำซัดพัดหายไปตามกระแสก็เพราะอันเนื่องมาจากมีเชเวึกผาซึ่งนั้นเป็นเสมือนกำแพงกั้นไว้นั่นเองผู้ที่สูญหายไปในขณะนั้นก็คือรพินดาลินและเกิด ภายหลังจากรวบรวมสัมภาระข้าวของเท่าที่จะเหลืออยู่ได้ครบถ้วนแล้วทั้งสามก็ออกติดตามค้นหาคนที่หายไปในทันทีโดยแง่สายทำหน้าที่เป็นผู้นำทางประมาณเที่ยงวันขณะที่เดินล่องเลาะชายฝั่งทานลงสู่ด้านใต้แง่สายก็พบรอยเท้าของเกิดจึงออกแกะรอยตามไปและมาทากันกันในเวลาบ่ายรวมเป็นสี่คนคงขาดหายไปเฉพาะรพพินกับดารินเท่านั้น ต่างปรึกษาหาหรือกันและพยายามค้นหาร่องรอยไปตามเรื่องแต่ก็ไม่ได้วี่แววอะไรเลยทั้งเกิดและแง้สายดองความเห็นว่าทั้งลพินและภัยและดารินจะต้องตกอยู่กลางกระแสน้าในขณะที่ภูเขาน้าซัดกระหน่าลงมาและจะต้องถูกพัดพาไปไกลทีเดียวพอตกข้าในการบ่ายหน้าลงใต้ตามทิศทางของกระแสน้าต่างก็มาถึงไหลเขาเหนือห้วยแม่เลง พบหมู่บ้านเกเลียงของโต้ท ะ, ะที่นั่นจึงแวะเข้าไปขออาหารและหวังจะสืบข่าวซึ่งก็พอดีกับที่เกิดและแง่าสายรู้จักคุณหน้ากับโตะทะดีอยู่แล้วมันเป็นเวลาเดียวกับที่ลูกบ้านของโตะทะ4ีห้าคนวิ่งหน้าตาตื่นกลับมาจากป่ารายงานที่ทราบว่าพวกสามคนที่แยกกันไปตัดไม้ในป่าถูกเสือคาบเอาไปเสียแล้วฝ่ายหนึ่งกําลังเดือดร้อนที่จะติดตามค้นหาพักพวกที่หลงหายไปเพราะกระแสน้ําพัด อีกฝ่ายหนึ่งกำลังเดือดร้อนเรื่องเสือเอาลูกบ้านไปกินภายหลังจากรับรู้เรื่องของกันและกันแล้วเชษฐาก็รับที่จะร่วมมือออกจัดการกับเสือตัวนั้นทันทีโดยมีข้อแม้แรกเปลี่ยนว่าโต๊ะถะและบิวาณทั้งหมดจะต้องร่วมมือในการติดตามค้นหาระพินกับดาลินเป็นที่ตกลงกันเรียบร้อยเมื่อคือนที่แล้วทั้งสี่คนจึงอาศัยนอนในหมู่บ้านของโต๊ะถะ พอรุ่งเช้าก็ได้ออกเดินทางมุ่งมายังตาแหน่งที่ตั้งปางพักของพวกที่ถูกเสือล่างออกไปและก็ได้มาพบกับพรานใหญ่และดาลินซึ่งรอคอยอยู่ก่อนแล้วโดยต่างฝ่ายต่างไม่คาดฝันระหว่างที่ใครจะพูดจาสอบซักกันเช่นไรก็ตามสิ่งที่ดาลินถามถึงข้อแรกก็คือสัมภาระส่วนตัวที่บรรจุอยู่ในเครื่องหลังของหลอนเมื่องแง่ายเป็นคนแบกอยู่นามาส่งให้ หล่อนกระเป๋ารวมออกจากปากและหลับตาลงอย่างโล่งอกพึพมพำออกมาว่าขอบคุณสวรรค์นี่มันยังอุตส่าห์ยังอยู่นึกว่าศูนย์ไปเสียแล้วจากนั้นก็ลื้อค้นโดยเร็วคว้าเสื้อล่าสัตว์ที่มีสำรองอยู่อีกตัวหนึ่งขึ้นมาเปลี่ยนกับตัวเก่าอันกระลุ้งกระลิ้งที่สวมอยู่ทันทีพอเริ่มรู้สึกอึดอัดกระสับกระส่ายเมื่อสังเกตเห็นผู้กเกรเลียงชา ย, ยาการของโต้ถาทั้งหลายพากันรอบจำเลืองมาเป็นตาเดียวนับตั้งแต่พบกันครั้งแรก พอเปลี่ยนเสื้อเสร็จก็ค้นเครื่องเวชพันฑ์อึดใจเดียวก็งัดเข็มฉีดยาขึ้นมาแล้วพินกำลังโต้อตอบคำถามอยู่กับเชษฐาและชายยันถูกกล่อนขัดจังหวะเข้ามาส่งแขนมาสิโชคดีเหลือเกินนะที่ย่ามหลังของฉันไม่ได้หายไปพรานใหญ่ส่งแขนให้รอนโดยดีดาลินจัดการฉีดยาให้เชษฐากับชา ย, ยันจึงเพิ่มสังเกตเห็นว่าที่ข้อมือด้านซ้ายของเขามีผ้าพันอยู่อย่างแน่นนะ และที่เหนือข้อสอกขึ้นไปก็มีผ้าของม้ามัดไว้อีกเประหนึ่งอ้าวนั่นโดนอะไรทั้งสองถามเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันเขาไม่ตอบเพียงแต่หัวเราบเบาๆดาลินเป็นคนอธิบายให้ทั้งสองทราบโดยละเอียดพานใหญ่รู้สึกอึดอัดใจอย่างไรบอกไม่ถูกเมื่อสังเกตเห็นเชษดถากับชัยยานันมองจับนิ่งมายังผ้าพันแผลของเขาแล้วหันไปมองดูหน้าดาลินทั้งสองคงจะสังเกตเห็นว่า ผ้าที่ผันแผลเขามันคือบราเซียของราชสกุลสาวนั่นเองแต่ก็ไม่ได้ปีกปากพูดเช่นไรดาดินเองก็คงจะรู้สึกเหมือนกันหน้าของหล่อนแดงเรือแต่แล้วก็เป็นปกติโดยเร็วพูดขึ้น่อยๆว่าแผลของรพินชะกันมากเพราะถูกเส้นเลือดใหญ่ตรงข้อมือพอดีถ้าห้ามเลือดไม่หยุดก็มีหวังตายเราไม่มีผ้าผ่นแผลที่สะอาดพอในขณะนั้น เป็นความจำเป็นหรือเกินที่จะต้องหาทางช่วยเขาไว้ก่อนเท่าที่จะทำได้